กราบบูชาพระรัตนตรยัยขอา ก, า ก, ากราบคารวะหลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียนและก็ขอากราบนมสการครูบาอาจารย์ทุกรูปพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกและก็ขอเจริญพรแม่ชีและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันนี้ทุกท่าน หลังจากที่เราได้ทําวัดสวดมนต์ไปแล้วถ้าเราสังเกตดูการที่เราได้ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเราสังเกตดูว่าจิตใจเราเป็นปกติเป็นจิตใจที่ไม่โกรธไม่โลภไม่หลง เพราะฉะนั้นการไหวพระสวดมนต์ในตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเจริญสติได้ทางหนึ่งในขณะที่เราไหวพระสวดมนต์จิตใจเราก็อยู่กับบทสวดได้พิจารณาได้คายควรจิตใจเราก็รู้สึกปลอดโปร่งว่างเปล่าเป็นจิตใจที่เป็นปกติซึ่งนี้คือเป้าหมายหรือเป็นจุดที่ เรามาเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องจิตใจของเราเพราะนั้นให้เราสังเกตในขณะที่เราไหวพระสดมน์แต่ก็มีบางครั้งที่เราอาจจะวกแวกออกไปบ้างคิดเรื่องนูน้นคิดเรื่องนี้บ้างแต่เราก็ดึงกลับมาอยู่กับบทสดมน์ตรงนี้ก็จะเป็นการเจริญสติได้ทางหนึ่งการที่เราได้ระลึกถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความเคารพให้การบูชาตรงนี้ก็เป็นการาทำให้จิตใจของเรานั้นระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งนี้เนี่ยทำให้จิตใจเราอ่อนโยนจิตใจเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวของจิตใจได้เป็นอย่างดีเพระาะฉะนั้น การที่เราได้มาร่วมกันไหว้พระสดม น, นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นการที่เราได้มาร่วมกันฝึกเจริญสติในทุกเช้าทุกเย็นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นประโยชน์หรืออาจจะเรียกว่าเป็นอนิสงส์ของการที่เรามาไหว้พระสดมน์แล้วก็เป็นการฝึกเจริญสติไปพร้อมกันด้วยตรงนี้ตัวกระผมเนือทรามาเองก็ได้สังเกต จิตใจของตัวเองว่าทุกครั้งที่ได้มาไหวพระสวดมนต์ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ก็ทำให้จิตใจของเรานั้นปลอดโปร่งโลง่งเบาสบายเป็นปกติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรที่เอื้อประโยชน์กับการเจริญสติของอพวกเราทุกคนโดยเฉพา ะ, ะพระที่บวชใหม่ ก็มีความขยันขันแข็งมาร่วมกันทำกิจกรรมนี้เป็นประจำํำก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากการมาอยู่ที่ป่าสุกโตเนี่ยเป้าหมายที่ชัดเจนที่หลวงพ่อคำเขียนท่านตั้งเอาไว้ก็คือให้เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ย แต่ก่อนนั้นตัวกับผมเรียกตมาเองก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เมื่อเรามาศึกษาจริงๆด้วยวิธีการเจริญสติที่หลวงพ่อเทียนเป็นต้นแบบหรือเป็นผู้แนะนำเนี่ยก็ําไม่เห็นว่าเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่ายเข้าใจได้ แล้วก็เป็นจริงเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ตรงๆแต่ก่อนเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องออใช้ความคิดใช้ความเพียรพยายามอย่างมากาเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนแต่เมื่อเรามาเรียนรู้จริงๆมาศึกษาจริงๆโดยอาศัยความรู้สึกตัวหรือที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเครื่องมือ ในการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ในกายในใจของเราจริงๆปรากฏการณ์หรือประสบก า, ารณ์ต่างๆที่มันแสดงออกมาทางกายที่มันแสดงออกมาทางใจที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันแสดงออกมาทุกเมื่อเชื่อวันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาดูหรือไม่ได้มาเห็นมัน แต่เดิมนั้นเข้าใจว่าเมื่อเรามาเรียนรู้พุทธศาสนาหรือมาฝึกกรรมฐานเนี่ยมันต้องสงบมันต้องนิ่งมันต้องสบายซึ่งอันนั้นก็เป็นความเข้าใจโดยทั่วไปที่มีอยู่ในในสังคมอของคนไทยเราตัวก็ผมนีอาตมาเองเมื่อได้ไปเรียนรู้ครั้งแรกๆโดยวิธีการอนาปนสติกลมหายใจก็เข้าใจอย่างนั้น แล้วก็ได้สัมผัสกับความสงบที่เกิดจากปิติและคิดว่าอันนั้นน่ะคือเป้าหมายที่แท้จริงแต่เมื่อได้มาฝึกวิธีการเจริญสติเคลื่อนไหวแบบหลงพ่อเทียนนั้นพบว่ามันไม่ค่อยสงบมันฟุ้งซ่านมันหงุดหงิดมันง่วงเหงาวหานอนในครั้งแรกๆก็ไปเข้าใจว่าเอ๊ะเราทําไม่ถูกลมั้งนะเป็นวิธีการที่ไม่ตรงกับที่เราเคยได้รับรู้มา แต่เมื่อทำไปทาไปเราก็เรียนรู้ว่าเบื้องหลังของความง่วงถ้าเราผ่านความง่วงได้นะเราก็จะพบกับความโล่งโปร่งเบาสบายซึ่งตรงนั้นนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องผ่านหรือแม้แต่ความฟุ้งซ่านเราก็เรียนรู้ว่ามันไม่ได้ฟุ้งซ่านตลอดเวลามันมีเป็นช่วงมีเวลามันมีเกิดมันมีดับมันมีเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้ โดยวิธีการนี้โดยเฉพาะยงยิ่งคนที่ฝึกใหม่ก็ได้ย่ อ, ยย อ, ยอท้อพยายามเรียนรู้ไปปรกากฏการเหล่านี้หรือสิ่งที่แสดงออกมาเหล่านี้เขาแสดงออกมาให้เราได้เห็นได้รู้จักเขาได้เรียนรู้เขาได้เห็นความไม่ไมเที่ยงแท้แน่นอนของเขาที่เขาแสดงตัวซึ่งเป็นความจริงที่มันแสดงตัวเราไม่ต้องไปหลบหลกถ้าเราดูไปบ่อยเรียนรู้ไปเรื่อย เราก็จะมีความชํานาญเราก็ชุคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่ไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเอาเอ า, เอาแพ้เอาชนะนะเพียงแต่เรารู้ความสงบที่มันจะเกิดมันไม่ได้เกิดเพราะว่าเราไม่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันมันปล่อยวางได้ปล่อยวางกับความคิดได้ในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ นะสำหรับตัวกผมนี่ตมาเองก็แรกๆเมื่อไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเข้าใจว่าเราจบระดับปริญญาตรีมาเป็นปัญญาชนท่านก็บอกให้เราดูความคิดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยอมรับจริงๆว่าเรายังไม่มีหลักนะคือความรู้สึกตัวที่ชัดเจนก็ไปดูที่ความคิดพอไปดูความคิดเนี่ยมันก็ลื่นไหลไปกับความคิดตามความคิดไป มันคิดอะไรคิดเรื่องอะไรเราก็ตามมันไปกว่ามันจะจบกว่ามันจะรู้เรื่องบางทีเราก็มึนหัวเราก็ปวดหัวบางทีเราก็มึนงงนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่เราเราไม่รู้ได้มาพบหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านก็แก้ให้ท่านบอกว่าคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะจบระดับไหนการศึกษาทางโลกระดับไหนนั้นให้มาเน้นหรือให้ความสาคัญกับ กายที่เคลื่อนไหวก่อนให้มีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนเคลื่อนมือ14จังหวะเนี่ยเป็นเป้าใหญ่เป็นวิธีการที่จะทําให้ความรู้สึกตัวของเราตื่นได้ดีที่สุดเพราะฉะ น, นั้นคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยให้พยายามมีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวนี้ก่อนถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนี้ชัดเจนแล้ว มันก็จะเข้าไปเรียนรู้ความรู้สึกนะสุขทุกขนะ์ที่ เ, เราเราเรียกว่าเวทนาได้ชัดเจนขึ้นแล้วเมื่อดูเข้าไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวมันจะฉับไวมันจะชัดเจนมันก็จะเข้าไปรู้ทันความคิดจริงๆความคิดเนี่ยเราก็เห็นเพียงแต่ว่าเรามักจะลื่นถไลายไปกับความคิดนั้นแต่เมื่อไดก็ตามที่เรามีความรู้สึกตัว กับกายที่เคลื่อนไหวชัดเจนมันก็จะต่อรองกับความคิดได้ความคิดมันก็จะอ่อนกําลังลงตัวความคิดนี่แหละเป็นความคิดที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งใจหลวงพ่อคําเขียนชอบใช้คําว่าไอ้ลักคิดนะแล้วก็ตัวความคิดนี่แหละเป็นนักสร้างเรื่องเป็นคนที่สร้างจินตนาการต่างๆบางทีก็คิดไปถึงอดีตบ้างคิดไปถึงอนาคตบ้าง บางทีก็ยกยอปอปั้นตัวเราเองบางทีก็คิดไปในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีบางทีก็คิดไปในเรื่องที่ไม่ดีก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อความรู้สึกตัวไม่ชัดเนี่ยเราก็จะเข้าไปคลุกไปอยู่กันในความคิดนั้นเราถอนตัวมาไม่ได้เราแยากตัวมาไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นปัญหากับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ให้เรามาเรียนรู้การฝึกเจริญสติโดยวิธีนี้เนี่ยมันมันมีหลงบ้างมันมีรู้บ้างมันมีถูกบ้างมันมีผิดบ้างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์มันจะถูกทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่จะผิดทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่เรารู้เรารู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปปลักครามตัวเองอย่าไปดูถูกตัวเอง ต้องให้กำลังใจตัวเองถ้าเราทำผิดเรารู้สึกว่าผิดเรารู้สึกว่าหลงก็เริ่มต้นใหม่เรื่อยไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการให้กำลังใจทำให้เรามีความเพียรพยายามในการที่จะทำอยู่เรื่อยๆด้วยความรู้สึกตัวที่ชัดเจนจากความคิดจากความรู้สึกสิ่งต่างๆหรือปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นภายในกายก็ดีใจก็ดี มันจะแสดงให้เราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอาจจะเ ร, เรียกได้ว่าเป็นธรรมได้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเพียงแค่เรารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวให้ชัดเนี่ยมันก็จะเจาะทะลุเข้าไปในเวทนาในจิตในธรรมได้โดยที่เราไม่ต้องไปทําเป็นขั้นเป็นตอนว่าเออจะต้องทํากายานุปัสสนาดูกายก่อน แล้วก็ไปเวทนาแล้วก็ไปจิตไปทำแต่ก่อนตัวกมบผลเรขารมาเองไปอ่านสติปัฏฐานสูตรนี่ก็เข้าใจว่าจะต้องทำา4อย่างพร้อมกันไปเลยแต่เมื่อได้มาเรียนรู้จากหลวงพ่อํำเขียนจากหลวงพ่อเทียนก็จับจุดได้ว่าเราเริ่มต้นที่กายนี่แหละให้ชัดๆแล้วมันจะเข้าไปรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆปกติความคิด นะแล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆหรืออาการต่างๆที่มันแสดงออกมาในใจของเราในกายของเราเมื่อเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะคืนสู่ความเป็นปกติได้อยู่เรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นเป้าหมายที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบนะก็คือความเป็นปกติของจนะิตในคืนวันวิสาข บ, บูชาเนะมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าสกโตแห่งนี้ก็ขอให้อยากจะเชิญชวนชักชวนพวกเราได้ทําเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องอื่นหรือกิจกรรมอย่างอื่นนั้นถือว่าเป็นเป็นเรื่องรองอก็คือการที่เรามาเจริญสติมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจของเราแล้วก็เมื่อเราเรียนรู้ได้บ่อยๆเรื่อยๆ เ, เราก็จะสัมผัสกับความเป็นปัจุของใจ ซึ่งความเป็นปกติของใจนั้นมันก็แสดงตัวของมันอยู่อยู่แล้วเพียง <_ v ood le> แต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราเผลอเราหลงเราก็จะตกไปอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์บ้างบางทีก็ตกไปในความคิดต่างๆนานาบ้างหลงไปในอาการต่างๆบ้างมันก็ทำให้อาการหรือสภาพที่เป็นความเป็นปกติของใจเนี่ยมันก็เลือนลางไป นะมันก็ไม่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะที่ที่อยากจะให้พวกเราได้ เ, เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็สังเกตแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็แสดงตัวของมันอยู่เป็นประจำาการมาใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าสุกระโตเนี่ยเอื้ออำนวยทั้งในเรื่องของสถานที่ครูบาอาจารย์เรื่องอาหารการขบฉัน เราไม่ต้องวิตกกังบนเลยเรื่องเหล่านี้นะก็ตัวกระผมรื่อธรรมะเองก็มีความรู้สึกว่าระยะเวลาสเดือนที่ได้บวชมาเนี่ยก็รู้สึกคุ้มค่าแล้วก็คิดว่าการที่ได้บวชเนี่ยไม่ผิดหวังนะแล้วก็เป็นชีวิตที่น่าจะลงตัวสำหรับตัวเองนะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยก็ก็คิดว่าจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิต ที่จะทำต่อไปแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเดินทางยังไม่ถึงที่สุดก็ตามแต่ก็รู้เป้าหมายที่ชัดเจนว่าคืออะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นความชัดเจนแล้วก็มีความพยายามในการที่จะเรียนรู้ศึกษาต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้พูดไปคุยไปนำเสนอไปหากมีข้อบกพร่องประการใดก็อยากจะขอ ให้ครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ได้แนะนําตักเตือนตัวกระผมวิธรมาต่อไปก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอยากจะถือว่าเป็นการนําเสนอหรือแบ่งปันในเท่าที่ได้เรียนรู้และประสบพบเห็นมาก็อยากจะในในส่วนของตัวเองเนี่ยก็มีความมั่นใจในการในการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ในการปฏิบัติวิธีการนี้ แล้วก็เห็นว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่กระทัดรัดสั้นแล้วก็ทำได้ง่ายแล้วก็เกิดผลได้เพียงแต่ว่าต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเรารู้เพียงแค่นิดหน่อยแล้วเราก็ไปเข้าใจว่ารู้หมดแล้วซึ่งตรงนี้ตัวกระผุมหรืออัตมาเองก็เคยมีประสบพบมาเมื่อเรารู้จัก รูปนามใหม่ๆแล้วก็เข้าใจว่าเรารู้หมดแล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังเหมือนกันสิ่งที่มันจะบอกว่าเรายังไม่ถึงที่สุดก็คือเมื่อเรากระทบกับอารมณ์ต่างๆกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆจิตใจเรายังไม่มั่นคงจิตใจเรายังไม่เป็นปกติยังมีโกรธมีโลภมีหลงมีหงุดหงิดมีพอใจไม่พอใจนั่นคือเป็นสิ่งที่แสดงให้เรารู้ว่า เรายังไม่ถึงที่สุดสิ่งเหล่านี้ให้เราสังเกตเรื่อยๆนะก็เป็นเป็นแบบทดสอบที่เราจะสังเกตได้นะ น, นี้ก็เป็นสิ่งที่นำเสนอให้กับทุกท่านได้พิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอากุลของพระสีรัตนไตรคุณของครูบาอาจารย์ แล้วก็ความภาคเพียรพยายามของทุกท่านที่ได้มาร่วมกันตั้งใจเจริญสติเจริญปัญญาขอให้ความพยายามของทุกท่านนั้นได้มีส่วนหนุนเนื่องให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงสภาพความจริงที่เป็นปกติของจิตได้โดยทั่วกันทุกท่านเทิน